เกว่เมว่อิโตทินนางเฟตนางอุปกัปติอิสิตังปะทิตังสุมังกิปเมวัสมิสัตุสัพเพปุเรนตูสังกภาจันโทปนารโสยถามะณีโสติลาโสยถาสมิจโวัสสัตุสัพพาโลกวินาสุมาเตพาวัตรันตารโยสุขิริขายุโกภวา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 ยัญจโกดกินารินาจปติริตาทิคาระตังนิทายาสนาโสภคปะปติโสญาติธรโมจยังนิทัสโสเทานอุสจกัารรา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 ธรรมานุภาพเวนะสราสุธีพระวันตุเตอาวาตุสาพมาคารังรักันตุสาบเทวดาสาภาสังฆานุภาพเวนะสราสุธีพระวันตุเตสาธุสาธุนะได้บุญแล้วประเด็ พูมีธุระพมีธุระก็ไปงานการเปอนธรรมดาเลยบังคับในพวกเราหาอยู่หากินได้กินได้ทานละกรก็สดชื่นเบิกบานไม่ได้ของง่ายๆเนอพี่นอกทั้งเออเขาเขียวมาแต่ออมดอาจารย์พึกก็ดีพออูอมีธุระช่วงบ่ายช่วงอะไรเลยพุนออว่าจะว่าจะออกกันไปบรรยายธรรมเออตั้งใจที่จะมารอรับก็ทําำการทำงานไปก่อนเน อ, อ